153นักบวชทุกวันนี้ล้มเหลวสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนักบวชเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะบริสุทธิ์บริชบูรณ์บไม่ใช่คนรับจ้างครวดมีแต่ทำงานให้คารวะฟรีๆไม่รับค่าจ้างไม่มีเงินมีทองไม่สะสมทรัพย์สินไม่ซื้อไม่ขายไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยน ลาเพณลาพังนิชิคิงสนาตาพระไตรปิดดเล่ม14ข้อ275แต่ทุกวันนี้นักบวชของพุทธล้มเหลวหมดแล้วได้ขบถต่อลากเกนดังกล่าวนี้ไปจนแทบจะไม่เหลือกันแล้ว เป็นพระสะสมเงินทองทรัพ์สมบัติกลายเป็นร่ำรวยหลอกประชาชนมาหาเงินให้ด้วยวิธีการและคำหลอกที่เอาเรื่องที่ลึกลับจากอดีตและจากอนาคตที่คนรู้ไม่ทันทั้งนั้นมาหลอกลวงไม่มีความรู้ในทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิที่เป็นปัจจุบันกันแล้ว คำว่าบุญก็ไม่รู้แจ้งในความหมายที่ถูกต้องเอาคำว่าบุญมาหลอกหากินซ้ำเสียอีกเป็นการสแสวงบุญนอกขอบเขตพูดกันแล้วตนเองก็ไม่รู้ว่าทำบุญทำอย่างไรแถมเอาคำว่าบุญมาเป็นเครื่องมือหลอกคนหาเงินทองมาให้ตนอีกซามบาปแท้จริงๆ และฉลาดหยิบเอาความรวยของคนที่เขาสามารถรวยได้ซึ่งม <ppe> ันเป็นความสามารถของเขาและวาสนาบารมีของเขาเองซึ um, ่งเป็นส่วนน้อยก็เอาตัวอย่างรายที่เจ๋งๆนั่นแหละมาเป็นตัวอย่างอ้างอิงเป็นการหลอกคนส่วนใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างแยบยลวิธีเช่นนี้ใช้กันมาตลอดกับการ คนผู้ไม่ฉลาดพอไม่รู้เท่าทันก็ตกเป็นเหยื่อมาตลอดกับการเช่นกันผู้มาบวชเสียสระก็ตรงที่ว่าถอนตัวไม่เป็นคู่แย่งโลกธรรมกับใครในโลกอีกแล้วส่วนการได้เปรียบกว่าข้าว่าก็ตรงที่ว่า จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องท ร, ร ม, มาหากินเลี้ยงตนจะตั้งหน้าปฏิบัติธรรมและช่วยสาธารณะก็กรุณาช่วยสงเคราะห์ชีวิตข้าพเจ้าไว้ด้วยก็เท่านี้ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้อยู่ในรัฐที่ศาสนาที่ออกป่าไปตามลำพังไปหาอาจารย์ในป่า เพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่บรรลุได้ด้วยตนเองชนิดที่ไม่มีที่มาของความเป็นอาจารย์หรือรัติที่ไม่มีอาจารย์ใดเลยไม่ว่าจะมาจากไหนปางไหนรู้เองเห็นเองบรรลุด้วยตนเองชนิดไม่มีที่มาของเหตุศาสนาพุทธมีที่มาของเหตุทั้งสิ้น หรือเป็นศาสนาที่มีอาจารย์อยู่ในป่าหรือไปหากินในป่าขุดเผือกมันกินเก็บส้นหมากรากไม้กินแต่มีวินัยไม่ทําสิ่งเหล่านั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อาศัยคราวาดเลี้ยงไว้ข้าพเจ้าขอทํางานเท่าที่สามารถและไม่ผิดวินัยตอบแทนแต่ไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนตอบแทน ถ้าสามารถให้ธรรมะตอบแทนได้ก็ธรรมะนี่แลที่เป็นการให้ขั้นสูงสุดที่ชนะการให้ทั้งปวงธรรมชานังชินาตินี่คือศาสนาพุทธที่มีขอบเขตของความเป็นพุทธที่กว้างไกลลึกล้ำ